เรื่องพระเมติยะและพระภูมิชะกะ383ก็สมัยนั้นพระเมติยะและพระภูมิชะกะเป็นพระบวชใหม่และมีบุญน้อยเสยนาสนะของสงฆ์ชั้นเลวอาหารก็ชั้นเลวตกถึงท่านทั้งสองชาวกรุงราชครืต้องการจะถวายบิณฑบาตแก่พระเทราทั้งหลายก็ถวายในใสายบ้าน น้ำมันบ้างแกงอ่อมบ้างจัดปรุงพิเศษแต่พวกเขาถวายอาหารธรรมดาแก่พระเมตยะและพระภูมมะชกะตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดองวันหนึ่งท่านทั้งสองกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วเที่ยวถามภิกษุเทราว่ามีอาหารอะไรบ้างในโรงฉันสําหรับพวกท่านพระเทระบางพวกตอบว่า คนทั้งสองพวกเรามีเนยใสน้ำมันแกงอ่อมพระเมตยะและพระภูมิชกะกล่าวว่าพวกกระผมไม่มีอะไรเลยขอรับมีแต่อาหารธรรมดาตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดองสมัยต่อมาข้าบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถวายอาหารแก่สงวัลสี ท, ที่เป็นนิตยพัตนข้าบดีพร้อมบุตรพัญญาอังคาด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 ได้เข้าไปหาท่านพระทัพพระมรบุตรถึงสำนักครั้นถึงแล้วได้ไว่ายท่านพระทัพพระมรบุตรแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระทัพพระมรบุตรชี้แจงข้าบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้นแล้วข้าบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถามว่า พัะทหารที่จะถวายในวันหนี้พรุ่งนี้ที่เรือนของข้าพเจ้าท่านนิบนภิกษุรูปไหนไปฉันขอรับท่านพระทัพผมาลบุตรตอบว่าอาตมาจัดให้พระเมตยะและพระภูมิมชกะไปฉันเขาไม่พอใจว่าทําไมจึงนิมนภิกษุชั่วไปฉันพัตทหารในบ้านเราเล่ากลับไปบ้านแล้วสั่งหญิงรับใช้ว่าแม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะ ไว้ที่ซุ้มประตูแล้วเอาปลายเข้ากับน้ำผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันพัตหารนะหญิงรับใช้รับคำว่าได้เจ้าค่ะวันเดียวกันนั้นพระเมตยะและพระภูมิมัชกะกล่าวกันว่าคุณเมื่อวานนี้เราได้รับนิมนต์เป็นฉันพัฒหารในเรือนข้าบดีพรุ่งนี้ข้าบดีพร้อมด้วยบทภัญญาก็จกมายืนอังคาดเราอยู่ใกล้ คนอื่นถามถึงความต้องการข้าวสุกถามถึงความต้องการกับข้าวถามถึงความต้องการน้ำมันถามถึงความต้องการแกงอ่อมเพราะความดีใจนั้นพอตกกลางคืนท่านทั้งสองจึงจำวัดหลับไม่เต็มที่ครั้นเวลาเช้าครองอันตระวาศกถือบาทและจีวรเดินไปถึงนิเวศของขหาบดียิงรับชายมองเห็นพระเมตยะและพระรูมชกเดินมาแต่ไกล จึงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูนิมนต์ว่าพระคุณเจ้านิมนต์นั่งเถิดเจ้าค่ะพระเมตตยะและพระภูมิมชกะคิดว่าเขาคงนิมนต์ให้พวกเรานั่งรอที่ซุ้มประตูจนกว่าพัฒหารจะเสร็จขณะนั้นยญิงรับใช้นำปลายข้าวกับน้ำผักดองไปถวายกล่าวว่าพระคุณเจ้านิมนต์ฉันเถิดเจ้าค่ะท่านทั้งสองกล่าวว่าน้องหญิง พวกอาตมารับนิมนต์มาฉันนิตยพัทยิงรับใชต้ตอบว่าทราบเจ้าค่ะว่าท่านเป็นพระรับนิมนต์มาชันนิตยพัทย์แต่เมื่อวานนี้ข้าบดีสั่งไว้ว่าแม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วเอาปลายข้าวกับน้ําผักดองถวายภิกษุผู้มาชันพระทหารนะนิมนต์ฉันเถิดเจ้าค่ะพระเิตยะและพระภูมิชกะปรึกษากันว่า เมื่อวานนี้เองข้าบดีไปหาพระทัพพะมรบุตรถึงอารามสงสัยผู้เราคงถูกพระทัพพะมลบุตรทำลายต่อหน้าข้าบดีเป็นแน่เพราะความเสียใจท่านทั้งสองจึงชันประธารไม่ได้สมใจทันกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วถึงอารามเก็บบารและจีวรแล้วใช้ผ้าสังคาติรัดเขา่านั่งภายนอกซุ้มประตูอารามนั่งอั้นก็เขินคอตกก้มหน้าซบเศร้า ไม่พูดจา